อย่างะไฟังแล้วก็จดจําให้มันได้ครับการฟังจดจําได้อันนี้ไม่ใช่ญาณปัญญาญเพียงปัญญาปัญญาจึงมีสองระดับปัญญาได้ยินได้ฟังจดจําได้เอาไปคิดอันนั้นก็ไม่ใช่ญาณปัญญาปัญญาอันนี้มันคิดมาได้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 นั่นได้อ่านหนังสือห น, นังสือสำหรับตำหรัปัญญามาจากการนิคิดพระเด็จปัญญาไม่ใช่ญาตปัญญาญาปัญญาอีกเรื่องหนึ่งอันปัญญาอันอย่าง น, นี้เรียนพระไตรปิฎกแตกต่ามแล้วพระองค์ควยังไงยังใส่ไม่ได้เราเรานึกย้อนไปถึงพระองค์ก็ได้พระองค์บวชเข้ามาแล้วเนี่ยไปศึกษาเราเรียนตามครูบาอาจารย์ต่างๆ รู้เข้าใจแต่ไม่มียาปัญญาขึ้นมันเพียงอาศัยไปปัญญาจากขาได้ยินได้ฟังแล้วการนึกการคิดเพียงแก้ปัญหาตัวเองไม่พอได้อนนีพระองค์คับบัด น, นี้พระองค์ก็เห็นว่านี้มันไม่ใช่ทางแบบปุ๊จนท่าพระองค์ไม่ต้องพูดก็ได้ที่เรื่องเราเคยพูดกันมาหลายครั้งหลายคนแล้วจนท่าพระองค์ ไปทำทางจิตติดทำอย่างอื่นทำมาหมดแล้วเรายัางไม่ทดลองมึงแต่การทำทางจิตทางใจนี้เองพระองค์ก็มาทำทางจิตทางใจนี้เองเมื่อพระองค์มาทำทางจิตทางใจเกิดยานปัญญานี่มันมันยิ่งยานปัญญาเลยแบนี้เกิดยานปัญญาขึ้นมาเห็นแจ้งรูจ้จริงตามความเป็นจริงก็เอาปัญญานันนั้มาทิ่ภาพวิอีกเป็นพระ ไปตัวยานปัญญานั้นในกวงห่วงนะครับในน้อยป็นขั้นแต่ลูกเขาเรียกาเป็นปฐมศาสตรทุติยศาสตร์ตาิยศาสร์จัตุคศานอันนี้เขาเรียกว่าศาสตรห้าต่อมาเขาเขาเรียกว่าศาสตรสามเนื้ออะไรคือปฐมศาสทุติยศาสตร์ติยศาสร์จัตุคศาตร์านตร์สี่อันนี้อันนี้เป็นศาสคร์ศาสตร ยานด้านตามภาษาตัวหนึงสือเรียกว่ายานสานบันเรียกว่าสามเป็นยานสานเขาเรียกว่าหอกแต่ยานเรียว่าเข้าไปรู้อันนี้ยานปัญญาเมื่ออาศัยยานปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้มาวิาพาวพิจารณ์อีกทีพักหึอันนี้เขาเรียกวปัญญาไม่ใช่ยานเดียวครับอย่างที่เรารู้จากรูปนามเนี่ยอันนี้เป็นยานปัญญา ปัญญาเนี่ยรู้จักรูปน้ำรูปไม่เที่ยงเมทนาไม่อันนี้เป็นปัญญามาแยกออกจากตัวอย่างนั้นเองครับที่ทผมี่ยคนอื่นจะรู้ยังไงไม่ได้แต่จะหาว่าผมนี่พูดอวกเกินไปก็ได้ครับผมพูดกลมจลืนให้ฟังผมปฏิบัติผมรู้เลยรูปเนี้ยแต่ก่อนผมรู้รูปบางอเนกน้ำรูปไม่เที่ยงเมตนานม่จาริการนาไม่แต่ผมไม่รู้ว่ารูปทำหรือทาไม่รู้ พอดีมารู้อันนี้หลยมาทำอันนี้ให้มันเกิดปัญญาที่ผมพูดแล้วอะทำสิ่งใดลงไปมากก็ตามมากมันไม่เกิดญาณปัญญานั้นก็เส่าได้ครับฟังอันใดก็ตามมันไม่เกิดญาณปัญญาก็เส่าได้ครับทำอันใดลงไปเนี่ยทำอันใดก็ทำอะไรนะยครับทำสิ่งไหนอันเดียว ทำน้อยก็าตามทำมาก็อตามถ้ามันเกิดยานปัญญาขึ้นให้เกิดความรู้แจ้งสิ่จริงตามนั้นเรียกว่าถูกต้องฟังเทศฟังธรรมฟังน้อยก็ตามครับฟังในนอยก็ตามฟังแล้วมันเกิดยานปัญญารู้แจ้งสิ่งจริงตามผมเป็นจริงอันนั้นเรียกว่าถูกต้องถ้าหากยังไม่เกิดสิ่งเหล่านี้แสดงว่าสิ่งนั้นยังไม่ถูกต้องผมแต่คนอื่นนั้นผมไม่ได้รับรู้ ผมพูดนี่พูดเฉพาะในเรื่องของผมผมได้ศึกษาแล้วเรียนมาจากักระดันและได้ปฏิบัติมาผมมาทำอันนี้เนี่ยเลยเกิดความรู้ความเป็นผมเขาเจอรูปน้ำมันเป็นรูปจริงๆเนีะยแล้ววะตาเห็นเป็นรูปรู่จากรูปเป็นน้ำน้ำคือน้ำน้ำสะพามคุณน้ำอันนี้เรีย น, นยแล้วแ่ผมก็าไปว่านาฬิกาเนี่ยเนี่เป็นรูป นามเขามานะันอะคือคุณค่าของมันไปดูเวลาอันนี้ไม่ถูกต้องแกถูกต้องตามปัญญาที่คิดไม่ใช่ถูกต้องตามปัญญายาของขปัญญาแกผมได้พิธาพิจารณาคนเดียวก็ถูกเออเราเรียนมาแล้วก <Yeah. S 1> าเห็นเป็นรูปลูกจักว่ารูปเป็นนามหูฟังเสียงเป็นรูปลูกจักว่ารูปเป็นนามเอ๊ะมันเข้าใจกูรวมจริงรูปนามมันติดกันอยู่นี่เลย mm hmm. mm hmm. รูปทำนามทำเนี่ยมันทำอยู่นี่เนี่ยเข้าใจกูนี่โอ้อันนั้นก็ถูกต้อง แต่มันทูกข์สันนอกครับไม่ทูกข์สันใ น, นลูกลูกทำน้ำทำนี่มันทำอดูน่นี่ลูกโลกน้ำโลกมันเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นโลกเจ็บหัวปวดคอบัดนี้จิตใจมันนึกมันคิดอะเป็นโลกจิตใจเนี่ยมันรู้จักอันนี้โอ้นี่มันลึกผิดกันเมื่อรู้จักอันนี้ก็รู้จักสมมุติจะค้อนสมมุติเอาอันนั้นมาให้พอ่อเอาอันนี้มาให้แม่เอาอันนั้นมาให้ผมอันนี้มา้สัน ในสมมุต so ิอ so so so like so ันนั้นรู้จักอันไหนแต่ความจริงอันนั้นก็ถูกแต่สมมุติเนี่ให้รู้จักว่าสมมติเรามือเนี่ยสมมติสมมุติแขนขาสมมุติอะไรสมมุติอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุติให้ทุกสัตวอย่างเนี้หละให้รู้จักจริงจิงไอันนี้สมมุติญาณปัญญาครับสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุตินรกสมมุติสวรรค์สมมุติมาพูดวันนี้ เนี่ยมันเป็นยานปัญญาก็รู้จักโอ้นี่มันเอาสมมุติมาพูดไม่เอาสมมุติมาพูดพูดไม่ได้ครับการบัด น, นี้ก็ได้เอาปัญญาเขามายิภาคอันนี้อีเป็นพักหนึ่งอันนี้เป็นปัญญาไม่ใช่ดวส่วนญญาณอันนี้วันนี้รู้จักอันนี้แล้วครบจบส่ว น, นรู้จักศาศนารู้จักพุทธศาสนาศาสนาคือคําสอนทั่วไปหรือศาสนาคำปฐก่าจในบัด น, นี้เราก็เรียนมาแล้วรับ ศาสนาคือตัวบุคคลพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาก็ได้หรือตัวรูก้ก็ได้ตัวเดียวเทั้นกับผองนี่พุทธศาสน า, าพุทธะแบบผู้รู้ใครรู้ก็ตัวมันโลนี่เองเราจะว่ายิญงานรู้ก็ได้หรืว่าปัญญารู้ก็ได้หิว่าอะไรรู้ก็ได้รู้แค่นี้กับผองบาปเป็นบาปก็คืองโง่นี่นเองบาปคือเมื่อคือไม่รู้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 เอาตัวปัญญาตัวนั้นมาแก้ตามสี่หลังถูกต้องถ้าหากเราไม่ได้ทําให้ยานปัญญาเกิดขึ้นและไปเกิดยิ่งภาควิจารณ์อันนั้นอันนี้แก้ทุกไม่ได้ครับผมนี้คนอื่นจะจะแก้ได้ไหมดูผมก็โอ้คาว่าปัญญาครับนี่มันมีคําเดียวว่าปัญญาเนี่อกว่ายานปัญญาคําเดียวแลี่มันจะยานปัญญาจะเป็นรููทุกขั้นทุกตอนน่ะไม่ใช่คือเฉพาะยานนี่เหมือนกับเราเบิกทางไปที่แรก เบิกทางไปคนที่แพร่ทางไปเที่ยวหลังนี่ไม่ได้เป็นตัวผู้ที่เบิกทางคนที่ทํางานไปทีหลังนี่เขาว่าลูกน้องก็ได้คือสมมุติเขาจะตัดถนนคนที่้องกล้องนะเขาได้ตัดทางครับเขาได้ตัดต้นไม้เขา้องกล้องไปเป็ซองกล้องแล้วเขาตัดเป็นริวก็ให้ตัดนี่คนเบิกทางคนตัดทางเนี่ยไม่ใช่คนซองกล้องนะสมมุติให้ฟังนะที่จะที่พูดนี้ขอเข้าใจไหม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 ความเป็นคนเก็ได้มาจากเพราะจากแม่ยพระบิดามาดาถ้าไม่มีพอไม่มีแม่ไม่มีบาดามาดาเราจะเกิดเป็นคนได้ทำไมเกิดในรางขวามเป็นคนลูกเท่านี้ก็พออันนี้อาศัยว่าเราก็พูดกันแล้วบัด น, นี้ควาเป็นคนอยู่ได้เพราะเรื่องอะไรอันนี้เป็นปัญญาเนี่ยอุปาวิชชาความเป็นคนอยู่ได้ก็เพราะอาหาร อาหารบำรุงร่างกายเป็นคนอยู่ได้ถ้าขาดอาหารแล้ววันนึ่อยู่ไม่ได้อีกเดียเมื่อกินอาหารเข้าไปแล้ววันนึ่ไม่มีถ่ายอยู่ไม่ได้แบบนี้แต่ทายไม่กินเข้าไปก็อยู่ไม่ได้แบบคนเป็นคนก็อยู่ไม่ได้อีกเอันนี้เป็นปัญหาขึ้นแต่ทีแรกมันต้องรู้อาศัยให้ยาปัญญาเพื่อนำเกิดขึ้นเบิกฐานก่อนนี่เป็นไงวันนี้เป็นหัวข้อสันส้นๆนะเพื่น หน้าที่ของคนบัญอาหน้าที่ของคนเรื่องของคนเอาแล้ววันนี้เป็นปัญญาลีธาลาลีขุ่วข่วงเฉพาะญาณปัญญามันที่เที่ยแค่นี้เองครับผมเคยพูดให้ฟังถ้าไปเลยไม่ได้พบพยพอได้จกกเส้นทางพบรีบขึ้นมาทางนี้แทวทางเคยได้ยินบ้างไหมผมพูดกันี้ยครับเนี่ย ที่มันมีตอมีหินมีอะไรอยู่ที่นี่นเราจะได้ขุดหลักขุดต่อนั่นเองอันนี้เขาปัญญาไม่ใช่ยานปัญญาแท่อถานให้ละเอียดเรียบร้อยเพื่ออาศัยยานปัญญาเดินหน้าก่อนและจึงว่าปัญญาค่อยแท่อค่อยถานค่อยเตียนมาให้เรียบร้อยไปเรียบปัญญาดัางนั้นชื่อว่าการทําอันนี้เนี่ยมันให้เกิดความรู้ความเห็นควงเข้าใจให้เกิดปัญญา มีญาณปัญญาขึ้นมาเป็นระดับระดับขึ้นมาจริปฐมมาสานมีองค์ห้าเขาว่ทุติยานมีองค์สามตัสติยานมีองค์สองจะตุทัศน์มีองค์สองเขาว่าอย่างนับัดนี้ตนปัญจมาสานี่องค์ห้าคือปฐมมาสานมีองค์ห้าทุติยานมีองค์สี่ตัสติยานมีองค์ส สุทตสถานมีองค์สองปัญจามสาสถานจงมีองค์สองอีกแล้วนี่เป็ น, เน่เรามาแยกกันนี้คือเราไปแยกไปตามต่าแต่เราไม่ได้เห็นอันนี้คนเพราะญาณปัญญาตัวนี้ยังไม่มีเมื่อเราทำให้มันญาณปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วจังหวะเราพูดกันเราสวดกันบ่อยๆกันนะว่าพุทธานุพุทธังสามะสิทธิถิมก่าง น, นี้ผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกัน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 ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาทักคนนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาทักคนคำนี้ไม่ใช่เป็นปัญญานคนี้คำนี้เป็นตัวอยางปัญญาจะรู้เห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นตัวนี้พี่ตัวเทียดใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตาทักคดเนี่ยอันนี้เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายคือเราตาทักคดสัตว์ทั้งหลายเป็นตาทักคดไม่เหมือนกัน ระดับสี่ขวบนี้ไม่เหมือนกันอันนี้อาศัยยานปัญญาเป็นเครื่องส่องทางเนี่ยส่องทางกับเบิกทางคําเดียวกันไหมคนละคำคนละคำวะเนี่ยส่องทางกับเบิกทางเบิกทางเป็นผู้ทธแค่ผู้เสี่ยงเท่านับนส่องทางเนี่ยเป็นว่าผู้ผู้เดินหน้าใช่ไ้ยเอออาศัยยานปัญญานี่ก่เดินหน้าได้บัด น, นีเนนเน้เรื่องของคนเนี่ยเรื่องของคนเนี่ยเป็นยานปัญญาเลย มันในเรื่องของคนจะไปท่าวิการณาที่ของคนเป็นเรื่องปัญญาอย่างนี้ยานปัญญาไม่ใช่จะเกิดตลอดวันนะครับเกิดเพียงแป๊ะเดียวเป็นก้าวเป็นก้าวไปตอนนั้นจัง่วะข้อแรกที่ผมรู้มาคือลวงลู้เรื่องลูกน้ํารู้ให้ครบให้จบให้พ้นรลูกน้ําลูกพันน้ำทำลูกโลกน้ําโลกพลุขังอนิจจังอนัตตาหยุดให้ทัน เนื่องจากทุกครังอ น, นิจจานตาตาก็ต้องมีเป็นตั้งเป็นเปลือกกระแสจิตนี่ครับแล้วก็ับมารู้สมมุติรู้ศาสนารู้พุทธศาสน า, ารู้สองภาคกันเป็นสองราคหมดเรื่องกันเับอันนี้รู้กันช่วแล้วผมก็เลยไปติดขมรู้อีกเลยปัญญากันเห็นนั้นเป็นเวลาอยู่ติดขมรู้จะิดแล้วคิดคิดแล้วคิ ด, ค ด, ค ด, ค ด, คดจนมาเจ็บหัวคิดรู้อันนั้นนั้นรู้ทั้งหมดอันนี้เป็นปัญญา ปัญญาเนี่ยคือว่าทำให้เราผิดก็ได้ทําให้เราถูกต้องก็ได้ถ้าไม่มียานเรามันเป็นถ้ามียานล้วไม่ถาดเลยคือว่าทําเป็นพื้นฐานคือตัวยานปัญญาแต่เราก็มาทำเป็นพื้นฐานเอาปัญญามาเป็นพื้นฐานนั่นเป็นที่เราฟังที่ครูบาอาจารย์สอนเขาเป็นบาดีเมื่อมาเกิดตัวนี้เราผมเสื้อมั่นโอ้พระพุทธเจสอนเรื่องนี้อันนั้นก็จริงเราไปยืมเอาคําพูดมาแล้วมาเจอผมรู้วย ม, นมันไม่เหมือนกัน บางคนนะเรียนจบมหาป ร, ริญญาเนีย่ยไปทําผิดกฎหมายติดตรางก็มีนะที่ประเทศในเดืเอนจําข้างหนึ่งมหาปริญญาเนี่ยไปนะติดตรางก็มีอันนั้นเป็นปัญญานะครับไม่ใช่หยาดปัญญาเลยเป็นปัญญาที่คิดแล้วอยากได้เขาไปทุจริตของเขาเพราะเขาจับไปติดตรางที่นี่ถ้ายาปัญญาเป็นหัวข้อแล้วอาปัญญานี่ไปใช้เ ก, กิดผิดก็ิด ปัญงงานีด้จริงว่าให้ลู้จักเลือกคัดจับหาออกมาใช้มันเป็นไมเป็นจริงพอได้รู้อันนี้จกเสร็จมาผมไปอาบมาอาบน้ำมาแล้วก็มาเดินจนผมผมเคยพูดอย่างนี้ควรจริงเป็นงั้นอย่างเดินไปข้างนั้นเลยกลับไปกลับมาเกิดมีความเห็นแจ้งรููจีคัดจีว่าค้อนปกคนคิดเมื่อคิดขึ้นมาครั้งที่หนึ่นไม่รู้ครั้งที่สอง ูครั้งที่สาผมทันทันทีผมคิดทันแล้วก็ผมเคยรู้ทำเหมือนเนี่ยกับเนื้อดังนนก็ตบปัทันทีเลยก็เกิดให้ยานปัญญาเกิดขึ้นเห็นมรรทุกบาลมัทากาโพสะโมหะโลภะเวทนาปัญญาสังขารปัญญาตกจากนี้เวทนาไม่ทุกปัญญาไม่ทุกสังขารบ้า น, นี้กับปัญญา อ, อ, า อ, อาวิภาคอวิจารจะเตัวอย่างปัญญาอันนี้แทนนั่นเอพาน้ำหนักตัวผมเนี่ย ร้อยกิโลครับหายล่นออกไปหมดเหมือนกับเอาอันยามาสโลเนื้อเนี่ยติ้งเข้าไปจับรุดไม่ได้แล้วโพสะโมหะโลภะลดไปแล้วตกปุ๊บ อ, อ้ไปแล้วร้อยกิโลเนี่ยออกไปอย่างน้อยต้องหกสิบกิโลแต่ผมคาดว่าแปดสิบกิโลโอ้เข้าใจแล้ครับปัญญากรรมยิภา ว, วิจารแลว วัตถุกับหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างประเภทบัญนี้ินี่งนี่ที่ปัญญาไม่ใช่ยานปัญญาเป็นปัญญาเนียวเรามักแต่กันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดแต่ว่าเอาไปใช้ในทางอุปถัมภ์เอาไปใช้ในทางที่ถูกก็ถูกทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศห้วยหน้องของมือตัวเองก็เป็นวัตถุจิตใจก็เป็นวัตถุเนี่ยบัดนี้ต้นไม้ภูเขาห้อยน้องของมือเป็นปรจจามัด กำลังประเสริญอยู่นี่แหละกำลังเห็นเนีเป็นปรัมมัตัวเราก็เป็นปรัมมัสจิตใจก็เป็นปรัมมัสเนีอาการหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ภูเขาผู้น้องมีการเปลี่ยนแปลงขนัดนี้วันนี้เป็นปัญญาไม่ใช่หยาดปัญญาแต่ยานปัญญาสองไปให้เป็นนี้หรือก็ต้องเบิกทาให้พวกเขาเข้าใจไหมครับเออเนี่ยยานปัญญาตัวนี้อันวันนี้ก็ต้องม า, าวิภาจะมาแยกให้พวกเราเข้าใจไว้ แต่ไม่คนไม่ค่อยพูดอย่างนี้แต่พูดกับตามเรื่องนี้ผมพูดมาผมก็พูดไม่ได้พูดอย่างนี้มากพูดเล่นๆพูดอย่างน น, ง น, นเรื่องอย่างนี้ก็ต้องเรื่องพูดไปไม่เยอะมานี้ตัวแผ่นฐานก็ต้องเป็นกันี้ตัวเลงซองกล้องปเป็นดียวอาจารย์กัอาการก็เปลี่ยนแปลงประเด็นนจัว่าโอ้ล่นไปแล้วหกสิบกิโลยิงก็แปดสิบกิโลก็พูดได้เลย เหลือยี่บกิโลเบาสามารถที่โอ้โหมีต้นทางและะ้วบนี้นี่แหละจะว่าได้กระแสะพลันผ่านได้ที่ตรงนี้ใครจะพูดยังไงก็ได้แต่ไม่ได้ออกเรื่องความพูดของคนอืน่งผมพูดความจริงถ้าปฏิบัติอย่างนี้ต้องรู้มาอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้ไปก็แสดงว่าไม่รู้อย่างนี้เป็นอย่างเดินกลับไปกลับมานี่เดียวไม่นานเกิดยายนตัญาเิเลตัหาอุปทานับ อ๋อก็เลยรู้จักอันนี้นสินเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาสมาธิเป็นเครื่องขับจัดกิเลสอย่งางยาปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาเนี่ยเราไม่มีศินเนี่ยพรกิเลสอย่างยากอันนี้ก็ยังเอาออกไม่ได้กิเลสอย่างยากไม่ใช่มาคูบุรีอันนั้นเป็นปีกย้อยมาตัวโมหะนี่เองตัวโทสะตัวโลภสามอย่างนี่เองกิเลสอย่างยาก แล้วกักิเลสตัณหาอุปาทานเนี้ยไปยึดมั่นถือมั่นเกาะเนี่ยกิเลสยังหยาบถ้าสิ่งเรานี้ดุจไปแล้วบเห็นริ่งจะเห็นแล้วเห็นมันมีอยู่แล้วเพราะอันนี้มันปกอยู่เนี่ยก็เลยไม่เห็นเ น, นี่ยสมมุติอย่างนี้มั้งมีนาฬิกาไ่ยครับมีไหมมีไหมเหนือแล้ววันนี้ผมเอา้าดอม่างนี้คุณเห็นนาฬิกาไหมเนี่ยวว น, นี่แหละกมมิเลสหันนาบพ อ, อดีเอาดิออกไปปุ๊บนาฬิกามีอยู่แลยว ของจริงมีอยู่แล้วธรรมะที่ทำํำพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วแต่ถูกอันใดปกคลุมปิดบังหรือครอบนํำจะว่าอย่างไรก็ได้ลลเลยนั่นล่องหายเนี่ยเป็นปัญญาไม่ใช่ญาณปัญญาเป็นปัญญาบริภาณฑ์จิตใจที่เขาเ้าใจอย่างนั้นแต่คนพจนผมไม่รับรองไม่รับรู้แต่คําพูดผมนี่ผมรับรองรับรู้เพราะผมเขาเ้าใจอย่างนี้ด้วย เอาคนจริงมาเล่าให้พวกเราฟังยิ่งผมสามารถจะพูดอย่างนี้เรื่องอื่นๆนั้นให้คนอื่นพูดไปได้แต่เราต้องกล้ารับรองคำพูดที่เรารู้มานั้นแล้วกล้ารับรองคำพูดของพระเจ้านั้น<ด>และวิธีที่เราทำนี้ครับวิธีของพระเจ้านนจะต้องการรับรองได้ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นนีเลงก้องปทช่วยทุเยให้เบิกทางไปพูด่างนู้น ถ้าเลนก้องเนี่เบิกทางไ้พุทธองตัดกระถางนี้มันก็ไม่ได้ไปทางนั้นเด็ดใช่ไหมครับมันก็ไม่ไปทางนั้นเด็ดนี่ประเด็นยังนี้ยการเบิกทางกับการซองกล้องเี็ดให้มันซองกล้องเลยน่เบิกทางไปสามกล้องได้ถ้าเบิกทางไปทางที่ผิดผิดตัเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเอามาคิดจริงๆครับพอดีรู้จักอันนี้ความสงบเป็นผลถอได้ผมมานอนก่อนครับ มานอนแลบบอันนี้รู้จักอันนี้เราตอนเย็นมานอนนอนผมลุกมาตอนเช้าเอาไสไปใกล้ใบเสียงไข่ตะขาบตัวนึงมันแล่นมาผ่านหน้าผมผมก็เลยเอาเทียงไขตามตะขาบไปไม่เห็นได้มเอาเทียงไขไปวางที่เดิมเลยลู้จักชัดเจนขึ้นมาศีลเป็นเครื่องกับจคิอเรื sure s <S ่องมานสมาธิเป็นเครื่องกับจคิเรืจองกางปัญนาเป็นเครื่องกัจจคกอเรื่อง สิงตัวนี้ทำไมไม่ใช่ว่าสิงห้าสิงแปดสิงสิบสิงสองร้อยสิงสามรผมไม่เคยได้พูดแค่ผมพูดสิงขันสมาธิขันปัญญาขันสิงขันสมาธิขันปัญญาขันขันคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันวิญญาณขันมีสิรูปอันนี้มีสิงนะครับที่มันมีอยู่แล้วคืออย่างว่า แต่เอาอันไรมาปกปานี้มันเดือนเลยไม่ดีคิดว่าการจากกัดการอ ย, าาย่างหยาบๆจิตจะรักษามาแล้วตั้งจะเป็นหนุ่มคิดเอกมาเป็นหนุ่มมาบวชเป็นพระกระทั่งมามีครอบครัวทําบุญให้ฐานรักษาศิเสมอแต่เราไม่รู้เลยถึงขันแปลว่าขันนี้มีศีลเนี่ยคือขันห้ามีศีลขันสี่มีศีลขันเดียวมีศีลขันยัง่า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 เมื่อยานปัญญาตัวนี้ ย, ยังไม่เบิดทางมีเพื่ปัญญาคิดเพื่อสิ่งก็ยังปรากฏไม่ได้ควรสงบปัญญาปรากฏไม่ได้นี่เป็นอย่างหนเมื่อยานปัญญาเบิดทางแล้วไอ้ที่ปัญญาบรรพแห่วทางไปไอ้ที่เบิดขาเลยอันนั้นเป็นผลคอยได้ทุกข์สงบควมสงบเพื่อเป็นผลคอยได้มาจากปัญญาผมเข้าใจอย่างนี้พอที่รู้จักอย่างนี้านมาพักผมก็รู้จัก การทำบาปด้วยกายทำบาปด้วยวาจาทำบาปด้วยใจทำบาปด้วยกายถ้าหากนรกมีนะไปตกนรกคุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนไม่เข้าใจอย่างไอันนี้เป็นอยาต่ำยาคันทำบาปด้วยวาจาไปตกนรกคุมไหนทำบาปด้วยใจคิดเฉยๆสามอันนม้ทำอภิรักขีนนั้นไม่ได้สมความกันไปตกนรกคุมไหนนานกี่ปีกี่เดือน ทำบับ ด, ด้วยขาย้วยวาจาด้วยใจสามอันนี้มันรวบกันเนี่ยไปตกนอกขุมไหนนางทีทีทเถือรู้จักอันนี้ขึ้นมาอันที่เห็ น, หนลูกเข้าใจจปไม่นใช่ตาเห็นใจมันรู้วิญญาณมันรู้เนี่ยพอได้วยานปัญญาที่นี่เครื่องบึกทางมันจะไปได้แบบนี้ครับเนี่ยเครื่องบึกทางแต่ตัวยานปัญญามันต้องเป็นข้องสองใบับนนี้ตรงกันข้ามทําบุญด้ยวยกายเขามือยกลา ทำบุญด้วยวาจาพดูดจะดีทำบุญด้วยใจใจคิดจะดีสามอย่างเนี้ถ้ า, าสวรรค์มีทำบุญด้วยใจนะีไปเกิดสวรรค์กี่สี่เดือนนิพพานมีจะเจอสี่สี่ี่เดือนทำบุญด้วยวาจาคำพูดทำดีจะดีไปอยู่สวรรค์นิพพานมีจริงเนนะีไปอยู่สี่สี่เดือ น, น, นได้ทำด้วยใจไปนน ปอยู่ทีทีเดือนมันเหลวนะครับที่ผมพูดมันจะเหมนคพเดียวเหมือนกับฟ้าแหลกทีเดียวมันเป็นวันนี้ทําบุญด้วยกายด้วยใจด้วยวาจาพร้อมกันทั้งสามอย่างนี้ติดตีถ้าหักสวรรค์มีนิทานมีไปอยู่สวรรค์นิทานทีๆๆทีเดือนวันนี้จะเครื่อง่องไปงที่ดียวเลงงานเลยวันนี้เครื่องแค่ทางแค่ไปเลยวันนี้เนี่ยนิทานาจาเนี่เป็นปัญญาเลยพอดีเหมือนกับฟีไฟฟ้าเด็กเพชร เขาทีเดีว่วเกาะมาพวกที่ตรงนี้ปับปุ๊บเขี้ยวกันย้อนตึงมาติดตรงนี้เจานี้ดึงเขาหานะการไม่เพงเลยอันนี้เป็นปัญญาแต่ปัญญากรรมวิภาตวิจารมขาดเขาเรื่องอะไรเนี่ยนั่งไปติดจสุดดว่ายาใส่กลับขึ้นมาทางนี้นีื่มาติดอันนี้เป็นปัญญาแตกใหญ่ขึ้นมาต้นขาเนกลับมาเบิดขาให้แผวฐาเปลี่ยนแับแต่เธอทีนั้นกลับขึาาน้นมาแผวขาเปลี่ยน เท่าทาง ق. อันนี้เป็นปัญญาเป็นปัญญาของญาติไม่ใช่ญาตปัญญาเป็นปัญญาที่ตามก้นญานไปเนี่ยที่ผมพูดนคะครับเกฟังเป็นหรือไม่เป็นก็เป็นเรื่องของคนนะบัดนี้เนี่ยระดับปัญญาการฟังจีไม่เหมือนกันระดับคมรู้จีไม่เหมือนกันการทําวิธีเนี่ยทําแตกหน้าตะจันเกิดมาในชีวิตของผมผมไม่เคยเห็น เคยให้ทานเคยนักษาศีลเคยทำกมฐ า, านมากระไรแต่ไม่เคยเป็นอย่างเดิมแบบมั่นใจเลยหยุดได้หยุดแล้วหยุกไม่เดินวแล้วคือไม่แสวงหาภูหาใจาไม่แสวงหาตำราไม่แสวงหาอะไรเพื่อว่าจุบหยุด ก, กับสงบกันเดียวกันอีกแล้วพวมสงบที่เราเป็นคนพอได้พอเกิดปัญญาเนี่ยตีนดังนั้นพวกเรามาทํา มาเจริญสถิติเจริญคนามรู้สึให้รู้จักคันต้นเนี่ยเรื่องของคนความเป็นคนหน้าที่ของคนใหญ่ๆอันนี้เป็นญาณันแต่เรารู้มาแล้วแต่เราไม่รู้จักเมื่อเรารู้จักกระสือเราจะได้รู้จักเคารพตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไห ว, ว, ว้ตัวเราเนี่ยเป็นไหว้ครูล้วก็ได้ ไห้พ่อไห้แม่เราะก็ได้ไว้เพื่อนไห้มนุษย์ร่วมโลกด้วยกันทั้งหมดกขได้นั่นจ็ิงยทุกคนมีเหมือนกันทั้งหมดไม่คิดกันเลยทื่ว่าคนในโลกเนี่ยคนไทยเขาเรียกว่าคนคนจีนก็เรียกว่าคนคนอเมริกาก็เรียกว่าคนคนเยอรมันก็เรียกว่าค น, นคนอังกฤษก็เรียกว่าคน คนอินเดียก็เรียกว่าคนคนคาเมนก็เรียกว่าคนคนยวนคนลาวก็เรียกว่าคนให้ชื่อว่าคนน่ยมีเหมือนกันหมดอันจิตใจสบายสบายชื่มีอันจิตใจ ว, ว่าวุ่นก็มีเหมือนกันหมดแกว่ า, าพระพุทธเจ้าให้ศึกษามาก็ให้เป็นธรรมยสอนให้เรา่ะให้มีสติกาําหนดรู้ในอินเดียบทั้งสี่เดนก็ให้มีสติรู้เดินก็ให้มีสติรู้ นั่งก็ให้มีสติรู้นอนก็ให้มีสติรู้เพื่อเพื่อให้มันเกิดญาตปัญญาดูจักขอ ง, งสิ่นป่าสติสธิแล้วก็ยังสอนให้เรามีสติเข้าไปกุมรู้ในอิริยาบถ ย, ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิสทธา์ก็าตา ม, มโตคู่เยี่เคลื่อนไหวนี่มันเข้าใจคู่เรา